กระลพรท่านผู้มีเจตเมตตาภรญญาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ห้าสิบห้าเป็นวันที่ท่านมีเวลาว่าจะภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เพราะว่าเห็นว่าเวลาค่อยผ่านไปผ่านไปโอกาสที่จะได้ทําบุญได้สร้างกุศลก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเพราะว่าวันเวลานั้นไม่หยุดไม่รอใครเวลาเขาไหลไปไหลไปถ้าเราไม่ร่บสร้างบุญสร้างกุศล พอหมดเวลาเราก็จะไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัวไปถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัวก็เหมือนเวลาเดินทางออกจากบ้านเราไม่ได้พกเงินไปก็จะไปแบบขอทานต้องไปขอทานจากคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเรามีเงินพกติดตัวไป เราก็จะไปได้อย่างสะดวกอย่างสบายอยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ไม่ต้องไปงยืนดูคนอื่นเขาทำกันแต่ตัวเองไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไปกับตอนนั้นเอง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญต่อการสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งกว่าการสร้างลาบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเพราะว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางต่อไปบุญกุศลนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จำเป็นมากก่บจิตใจเพราะเป็นเหมือนทรัพย์ของจิตใจเป็นเหมือนเงินทองของจิตใจผู้ที่มีบุญมีกุศล ม, มากก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายได้ไปเสพกับ <c oughs> แสงสีเสียงอันประณทีที่เรียกว่าแสงทิพเสียงทิพแต่ถ้า ไม่มีบุญไม่มีคุโส์ไปมีแต่บาปกรรมติดตัวไปก็จะไปพบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาพบแต่ความรุ่นร้อนพบแต่ความหิวกระหายพบแต่ความอยากพบแต่ความทุกข์ยากลําบากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามันทําบุญมันละบาปมันชาระใจให้สะอางบริสุทธิ์ เพราะว่าการกระทำทั้งสามประการนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความเจริญมีความอิ่มมีความพอมีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆตามมา <c oughs> ถ้าเรามัวแต่เสียเวลา กับการไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราก็จะได้ความสุขชั่วคราวความสุขในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็ต้องมีความทุกข์มาด้วยเพราะว่าบางเวลาเราก็อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือสิ่นที่เรารักไปเราก็จะต้องทุกข์กับการสูญเสีย แต่ถ้าเรามีบุญมีกุศล ม, มีความสุขอยู่ภายในใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะบุญกุศลนี้เป็นเหมือนเกราะคุ้มกันความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายไม่ให้มากระทกบกระเทือนกับความสุขของใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับทั้งในปัจจุบัน ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขเสมอไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่ ก, ก็ตามไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็ไม่เป็นปัญหากับใจที่มีบุญในกุศลเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคน ร่างกายก็เป็นคนหนึ่งใจก็เป็นคนหนึ่งเวลาร่างกายเป็นอะไรใจที่มีบุญมีกุศลก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าบุญกุศลนี้จะสอนให้ใจรู้จักปล่อยวางให้รู้ความจริงว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจก็เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ไปเท่านั้นเองรับรู้ว่าร่างกายตอนนี้แก่รับรู้ว่าร่างกายตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยรับรู้ว่าร่างกายตอนนี้จะต้องตายไปตายก็ตายไปทำอย่างไรได้จะไปร้องห่มร้องไห้จะไปหวาดกลัวจะไปอยากไม่ตายมันก็ไม่สามารถ ไปยับยังการตายของร่างกายนาะเหมือนกับเราไม่สามารถไปยับยั้งการตายของคนอื่นได้แต่เราไม่เดือดร้อนกับการตายของคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองฉะนั้นในร่างกายของเราถ้ามีบุญมีกุศลก็จะสอนจะบอกให้เรารู้ตลอดเวลาว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเรารู้ตลอดเวลาเราก็ไม่ยึดติดเราก็จะปล่อยวางเราก็จะดูร่างกายของเราเหมือนเราดูร่างกายของคนอื่นนี่คือบุญกุศลที่จะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็เป็นเหมือน เหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในจอภา พ, พยนตร์คนดูไม่ได้มีส่วนร่วมส่วนวนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในจอภา พ, พยนตร์คนดูก็ดูไปเท่านั้นเองนอกจากว่าคนดูเผลสติไปมีอารมณ์กับภาพที่อยู่ในจอก็จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาได้ เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานขึ้นมาได้เพราะว่าไปยึดไปติดกับภาพที่อยู่บนจอไปคิดว่าเป็นภาพจริงไปคิดว่าเป็นของจริงของจังแท้จริงมันก็เป็นเพียงภาพพยนต์เป็นการเล่นละครผู้ที่แสดงก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับบทที่เขาแสดงเขาแสดงบทตาย ผู้แสดงก็ไม่ได้ตายไปกับบทแสดงแต่คนดูกับไปเดือดร้อนแทนผู้แสดงเพราะว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดึงใจให้ดูเฉยๆให้ปล่อยวางนี่คือร่างกายหรือเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นเหมือน ภาพเป็นเหตุการณ์เหมือนร่างกายในจอภาพยนตร์เหมือนเหตุการณ์ที่อยู่ในอยู่ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีหรือเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในจอภาพยนตร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่นั่งดูภาพยนตร์ใจนี้เป็นเหมือนผู้ดูภาพยนตร์ส่วนร่างกายและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวร่างกายก็เป็นเหมือน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอภาพพยนั์นั่นเองดังนั้นใจไม่ต้องไปหวาดเสียหวาดกลัวไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดี อ, อกดีใจเพราะว่าเวลาได้ก็ไม่ได้จริงๆเวลาเสียก็ไม่ได้เสียจริงๆเวลามาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปดังนั้นจะไปคิดว่าได้จริงๆได้อย่างไร เสียจริงๆได้อย่างไรก็เป็นเหมือนการแสดงละครเท่านั้นร่างกายก็เป็นเหมือนตัวละครที่ใจที่ใจใช้ไปเล่นละครใช้ใช้ใช้ร่างกายไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั่นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ต้องตายไปคนนั่นคนนี้สมบัติ ชิ้นนั้นชิ้นนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็เอาไปไม่ได้เลยเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของใจงแท้จริงใจเป็นเหมือนคนดูเวลาดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับว่าไ ด, ได้นั่นได้นี่เช่นเวลาดาราที่เป็นคนที่เราคิดว่าเป็นตัวเราไ ด, ได้นั่นได้นี่เราก็คิดว่าได้กับเขาไปด้วยแต่พอหนังจบ เราเดินออกจากโรงเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับเรานั้นใดพอร่างกายนี้จบ ก, ก็เป็นเหมือนละก็เป็นเหมือนหนังจบเพราะหนังจบใจที่เป็นคนดูก็ออกจากโรงไปก็ไปเปลี่ยนโรงใหม่ไปตีตัวซื้อไปดูหนังเรื่องใหม่ต่อไปแล้วก็ไปตื่นเต้นตกใจดี อ, อกดีใจเสีย อ, อกเสียใจกับภาพยนตร์เรื่องใหม่นี่คือเรื่องของใจ ที่ไปเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนร่างกายก็เป็นเหมือนกับไปไปเล่นละครโลงใหม่ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ใจก็เป็นเพียผู้ดูร่างกายเล่นไปแล้วก็หลงดี อ, อกดีใจไปกับการได้ของร่างกายเสีย อ, อกเสียใจกับการสูญเสียของร่างกายเราทำอย่างนี้มานะับไม่ถ้วนนะถ้าเป็นภาพยนต์ก็เป็นหลายละหลายร้อยล้าน ภาพยนตร์นั้วก็เล่นกันอยู่อย่างนี้ดูกันอย่างนี้ไปถ้าดาบใดไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ความจริงอันนี้แลนำมามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็ยังจะหลงเล่นละครหลงดูหนังดูละครไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทุกข์มากน้อยเท่าไรมันก็ มันก็หายไปสุกมากน้อยเพียงไรมันก็หายไปเพียงแต่ว่าขณะที่ทุกข์นี้มันแสนทรมานใจเท่านั้นเองสู้ดูแบบไม่ทุกข์ไม่ดีกว่าเลยดูแบบเฉยเฉยไม่ดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นเพียงภาพยนตร์เราก็จะดูแบบเฉยเฉยได้เวลาได้อะไรมาก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปไม่ใช่ของเราเวลาเสียอะไรไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา มันต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วนี่คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นสร้างกันขึ้นมาสร้างแล้วเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติเช่นถ้าเรามีปัญญามีความรู้ว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นของเราเราก็อย่าไปหามามากเกินเกินไปเพราะว่าหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไป แล้วถ้ามีเราก็ควรที่ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะเวลาเก็บเอาไว้ก็จะเป็นปัญหาเป็นเป็นเป็นภาระที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็จะทำให้เราอ่อนแอเพราะเราจะอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุข้ถ้าเราต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุข เราก็ต้องดิ้นหนนหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆต้องลำบากลำบนกับการไปทามาหากิน <c oughs> ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนาๆนาต่างๆนานาเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มา ซ, ซื้อความสุขที่เป็นเหมือนควันไฟสุขเดียวๆแล้วก็จางหายไปสู้เอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าเพราะจะได้ความสุขที่อยู่ติดอยู่กับใจ ที่จะทำให้มีความอิ่มเอิบมีความพอไม่มีความหิวเหมือนกับความสุขที่เราใช้เงินไปซื้อเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็อยากจะซื้อมาเห็นรองเท้าสวยเห็นกระเป๋าสวยก็อยากจะซื้อมาทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีก็อยู่ได้แต่เนื่องจากความอยากเห็นแล้วก็อดไม่ได้ ถ้าไม่ซื้อเราจะหุดหงิดลำคาญใจจะไม่สบายใจถ้าเราเอาเงินที่อยากจะซื้อของเหล่านี้มาทําบุญเราก็จะหยุดความอยากได้หยุดความหงุดหงิดลาคาญใจได้ทําให้ใจเรามีความสุขมีความสบายใจเพราะเราเปลี่ยนใจแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้าคู่ใหม่เราก็ว่าเอามาทําบุญดีกว่า พอเราคิดอย่างนี้ก็เท่ากับเราเปลี่ยนใจเราหยุดความอยากที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟยได้พอเราหยุดความอยากได้ความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจก็จะหายไปแล้วพอทําบุญเราก็จะได้ความอิ่มเอิใจได้ความสุขใจตามมาเราก็จะทําให้เรารู้ว่าความสุขที่ที่ดีกว่าการใช้เงินซื้อข้าวของต่างๆนั้น มีอยู่ที่การให้ทานนี้เองเราก็อยากจะทำบุญให้ทานเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราตายไปถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไม่ได้ความสุขใจความอิ่มเอิบใจนี้ติดตัวไปกับเราเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราหรือเงินทองที่เราเอาไปซื้อข้าวซื้อของมา ข้าวของที่ได้มาก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใจจะไม่ได้ให้ความอิ่มเอิบใจสุขใจเหมือนกับการได้ทำบุญให้ทานแต่กับจจมีความหิวความอยากใช้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกนี่คือปัญหาของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเราไม่รู้ความจริงว่าการใช้เงินใช้ทอง น, นี้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ให้เกิดโทษกับใจเรากระดาส่วนใหญ่เราจะใช้เงินใช้ทองให้เกิดโทษกับใจของเราใช้ไปตามความอยากนี่แหละจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดโทษแก่ใจเพราะว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความเศร้าหมองเกิดความเบื่อหน่ายต้องใช้เงินถึงยาถึงจะสบายใจ มันสบายใจได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วจะกลับมามีกําลังมากกว่าเดิมเพราะว่าความอยากเป็นอย่างนั้นได้คืบแล้วก็อยากจะได้เป็นสองได้เป็นสองแล้วก็อยากจะได้เป็นวัเช่นวันนี้ถ้าเราได้เงินมา500รพรุ่งนี้ถ้าเราได้500รเราจะไม่รู้สึกดีใจแต่ถ้าเราได้พันอย่างนี้เราถึงจะดีใจ เพราะว่าเราเคยได้500รแล้วพอได้500มามันก็จะไม่ดีใจเราไปซื้อของมา500บาทวันนี้เราดีใจเพิ่งนี้ถ้าเราไปซื้ออีก500บาทเราจะรู้สึกเฉยเฉยแล้วเราต้องซื้อของที่มีราคาแพงมากกว่านั้นซื้อของเป็นราคาพันเป็นขึ้นไปถึงจะมีความสุขแล้ววันต่อไปก็จะต้องซื้อของมีราคาหมื่นมีราคาแสนถึงจะมีความสุข ถ้ามีเงินก็จะซื้อทันทีเคยเคยซื้อรถคันละล้านพอมีเงินร้อยล้านทีนี้ก็ต้องซื้อรถคันละ20บล้านมาขับแล้วนี่คือความอยากดังนั้นเงินทองที่เราหามาถ้าเป็นแทบตายแทนที่เราจะมาใช้ประโยชน์กับกับใจกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความหิวสร้างความอยากให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้น ถ้าเราเงินทองนี้มาทำบุญเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอใจแต่ไม่มีความอยากที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มีความอยากถ้าอยากก็จะมาทำบุญถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนพอใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่เหมือนกับใช้เงินตามความอยากพอใช้ไปแล้ว ความอยากใหม่ก็กลับขึ้นมาอีกแต่ความอยากทาบุญนี้เมื่อทาไปแล้วถ้ากลับมาก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโทษเพราะไม่ได้สร้างความทุกข์เวลาอยากทาบุญนี้จะไม่มีความรู้สึกหกรธกิริย์ลำคาญใจเหมือนกับการอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อข้าวของต่างๆต่างกันความอยากทาบุญนี้ไม่ไม่เป็นโทษแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์เหมือนกับการอยากรับประทานยา นี้เป็นประโยชน์เวลาไม่สบายเราก็ต้องอยากรับประทานยาเพื่อเราจะได้หายจากโรคภัยคข้เจบ็บแต่ถ้าเราอยากจะดื่มสุราอย่างนี้จะเป็นโทษเพราะสุรานี้เป็นพิษกับร่างกายแล้วเมื่อดื่มสุราแล้วก็ยังไม่หายอยากยังจะกลับมาอยากใหม่แต่การอยากรับประทานยานี้หายอยากได้เวลาโรคเวลาร่างกายหายจากโรคภัยคข้เจ็บแล้ว ก็จะไม่อยากรับประทานยานี่คือความต่างกันขอให้เราแยกแยะว่าความอยากที่เป็นโทษก็มีความอยากที่เป็นขุนก็มีเช่นความอยากที่มาทำบุญอยากจะมารักษาศีลอยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยากจะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นความอยากที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจแต่ถ้า ความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มสุรายาเมาอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสษอยากจะได้เงินมากๆอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตความอยางแบบนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยากได้ดงใจเสมอไปเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจ ถ้าเสียใจมากๆก็อาจจะถึงกับฆ่าตัวตายได้อย่างที่ได้เป็นข่าวมาอยู่เรื่อยๆคนที่ต้องฆ่าตัวตายนี้ก็เพราะว่าไม่ได้นำใจอยากนั่นเองอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นดั ง, ดงที่อยากได้แล้วไม่รู้จักระงับความอยากไม่รู้จักเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจเพียงนิดเดียวก็สบายแล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแค่ทันนี้นก็จบ แต่ความอยากความหลงนี่มันไม่ทำให้ใช้สติปัญญาไม่เคยคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ทำไมตอนนี้เราอยากแล้วไม่ได้เราทำไมจะอยู่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นสิเรื่นอยากจะไปเรียนต่อถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสมือ็นเป็นปัญหาอะไรเราก็เรียนมาแล้วเราก็มีวิชาความรู้อยู่แล้ว แล้วก็ทํามาหากินอยู่อยู่แล้วพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอมีความสุขอยู่แล้วทําไมจะต้องไปดิ้นรนให้มันเหนืนน่อยๆเป่าๆถ้าไปได้ก็ไปไม่ห้ามแต่ถ้าไปไม่ได้ก็อย่าไปก็เท่านั้นเองแล้วก็อยู่ของเราได้พวกเราทุกคนในขณะนี้พออยู่พอกินเงินทุกคนความจริงถ้าเราอยู่ความอยากต่างๆได้เราจะมีความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ เราไม่ได้ขาดอะไรกันเรามีครบทุกอย่างแล้วเสื้อผ้าก็มีล้นตู้อาหารก็มีรับประทานทุกวันบ้านก็มีอยู่ยารักษาโรค ก, ก็มีแล้วจะเอาอะไรอีกสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดเราไม่มีความสุขก็คือความอยากต่างๆนี่ดังนั้นขอให้พวกเราจงหันมาหยุดความอยากต่างๆเถอะมันเป็นของหลอกเรา หลอกให้เราลิ้นลน้นหลอกให้เราต่อสู้หลอกให้เขาเราเหนื่อยยากแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากมันได้ความดีใจเพียงเดียวเดียวเท่านั้นเองแล้วความอยากใหม่ก็จะตามมาต่อทันทีความอยากนี่มันเป็นเหมือนลูกคลื่นในทะเลเนี่ยแหละเคยเห็นลูกคลื่นที่มันไหลามาซัดฝั่งนะมันมาไม่มีหยุดไม่มีหย่อนความอยากของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่หยุดมันมันก็จะไหลามา แบบลูกขึ้นในทะเลเราต้องหยุดมันต้องหยุดมันด้วยการเอาเอาเงินที่จะใช้กับการไปซื้อของที่เราอยากเอามาทำบุญเสียแล้วเวลาเราอยากจะทำบาปเราก็ต้องรักษาศีลเอาศีลมามาเบรคความอยากเช่นอยากจะเดิมชูราก็ต้องถือศีลห้าอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ต้องถือศีลห้าอยากจะช่อโกงลักทรั อยากจะโกหกหลอกลวงอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็เอาศีลมาหยุดมันคนที่รักษาศีลได้ก็จะมีความสุขสบายใจกว่าคนที่รักษาศีลไม่ได้แล้วถ้ายังอยากจะหยุดความอยากที่ละเอียดกว่านี้ที่ยากกว่านี้ก็ต้องใช้วิธีนั่งสมาธิใช้วิธีเจริญปัญญาว่ เ, าเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้ว ความอยากจะทำงานไม่ได้เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในรถถ้ารถจอดก็ไปไหนไม่ได้คนจะไปไหนมาไหนได้ต้องรอให้รถวิ่งได้ก่อนฉันใดความอยากก็ต้องอาศัยใจที่ไม่สงบถ้าใจสงบนิ่งไม่คิดอะไรก็จะไม่สามารถอยากได้แต่ถ้าใจคิดได้เมื่อไหร่ความอยากก็จะสามารถทำงานได้ทันที พอคิดปั๊บก็จะคิดถึงตู้เย็นคิดถึงตู้โทรทัศน์คิดถึงเงินคิดถึงของกินของใช้ต่างๆ ท, างทันทีก็จะออกเดินทางไปซื้อของต่างๆมากินมาใช้ ท, ทันทีแต่เวลาจิตไม่คิดจิตนิ่งสงบจิตไม่หิวจิตกลับมีความสุขกว่าแต่พวกเราไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้กันเพราะเราไม่มี เราไม่รู้จักวิธีทำให้สงบนั่นเองเวลาจะนั่งสมาธิก็นั่งเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีเครื่องมือมาก่อนเหมือนเวลาจะเปลี่ยนยางรถเวลายางรถแตกก็จะเปลี่ยนทันทีโดยไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนอย่งางไรก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีเพียงสองมือเปล่าๆต้องหาเครื่องมือมาต้องมีแม่แรงต้องมีเครื่องไขน็อตถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นันใดจะ การที่จะหยุดใจทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้พวกเราก็คือสติสติก็คือการระลึกรู้ให้รู้เฉยเฉยไม่ให้คิดอะไร<ม>วะเวลาใจจะคิดอะไรก็ต้องใช้อุบายของ<ม>ของพระพุทธเจ้ามาหยุดเช่นอย่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ให้คิดพุทโธแทนไปคิดพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดเรื่องอะไรแล้วต่อไป ความคิดก็จะหยุดเองพอความคิดหยุดความอยากมันก็จะหายไปใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจดจอ่ออยู่กับการกระทาของร่างกายร่างกายกาลังทาอะไรเราก็ต้องเฝ้าดูการกระทาของร่างกายอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่น เช่นกำลังอาบน้ำก็เฝ้าดูการอาบน้ำกำลังถูสบู่กำลังล้างหน้ากำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายเฝ้าดูอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าเรามีสติเราหยุดความคิดได้เวลาเรานั่งสมาธิดูลมหายใจเดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดปรุงแต่งแล้วความสุขก็จะกลับคืนมาความหิวความอยากก็จะหายไป นี่คือวิธีที่พวกเราจะสร้างความสุขให้แก่พวกเราเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เองนังที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างอยู่สามประการก็คือให้ทำบุญให้ละบาปแล้วก็ให้หยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดถ้าเราสามารถทำได้เราจะมีแต่ความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เลือกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะไม่เป็นปัญหากับความสุขที่มีอยู่ในใจของเราจะไม่สามารถเข้ามาลบล้างความสุขที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนื่องจากเวลาของเรามีแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆให้ใช้เวลามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเพื่อเราจะได้มี ที่พึ่งคือมีความสุขที่จะคอยดูแลรักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเพ่งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้งคราบปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ